ข้อ7อย่าทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ให้มันบริจาคเป็นอย่างไรคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมากมายพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้รู้จักให้ทางเสียก่อนการให้คือการเสียสละทันทีบรรลุธรรมแล้วท่านเสียสละได้หมดทั้งอวัยวะภายในหรือภายนอกและทรัพย์สินเงินทอง ก็สิ่งที่ประกอบด้วยกันขึ้นมาเป็นชีวิตท่านยังเสียสละได้เรื่องทรัพย์สินเงินทองของนอกกายฉันไหนจกเสียสละไม่ได้เราถ้าเราสามารถเสียสละได้ทุกอย่างเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้แบกภาระอันใดไว้ทำให้จิตใจปลอดโปรง่งไม่ห่วงหน้ากังวลหลังใครทาของเราเสียใครขโมยของเราไปก็ไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิด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 หมดลมเมื่อไหร่มีใครเคยเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างไหมผู้ที่รักเงินยิ่งกว่าชีวิตมักเป็นคนตนีใจคอคับแคบถ้ามันบริจาค ก, ก็จะเกิดเป็นนิสัยอันดีงามขึ้นสามารถบริจาคได้มากขึ้นและไม่นึกเสียดายดังแต่แรก